สืนี่ถึงเป็นเป็นสื่อที่ดีสื่อเผยแพร่ธรรมะสมาพระพุทธการนี่ลำบากน่เพราะว่าไม่มีไม่มีหนังสือไม่มีสื่อพระพุทธยาตุงสงแสดงธรรมวันละสามครั้งวัวละสามสี่เว้นสี่ครั้งสามครั้งตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับสัตยาญาติอยมตอนค่าแสดงธรรมให้กับ พรภิกษุสา ม, มเณตอนหยุดก็แสดงทําให้แก่เทวดาวตอนเช้าก่อนสว่างก็ส่งเลนยางหรือว่าจะไปส่งจดให้กับผู้ใดกงไปด้วยพระองค์เองสมัยนี้ก็มีหนังสือไปแทนได้ส่งไปใครอยากได้เขาก็บางทีก็เขียนจดหมายมาขอเอน ทีเขาก็เดินทางม า, มารับเองหนังสือนี้เป็นเหมือนแผนที่เป็นเป็นเครื่องบอกทางเป็นป้ายบอกทางที่จะพาให้เราไปสูอ่อนัผลนิพพานเาให้เราไปสู่อกาญ ย, ยุ่ธพ้นแก่การโยมว่าตาเกิดเาให้เราไปสู่ความสุขที่เทา้าวล ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีหนังสือธรรมะํำทางพวกเราก็จะไม่มีโอกาสคือไม่มีความสามารถที่จะค้นหาทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตัวเราเองถ้าไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสโลมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สามโลก สัตวโลกทั้งหลายก็จะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่ดีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรตว์ลกพะธ ร, รมที่จะพาสัตว์โลกให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพอตัดสรตวกแล้วก็ อยู่ที่พระ อ, องค์ว่าจะทรงมีพระวิริยะขวนขวายหรือไม่รังพระองค์ถ้าไม่มีความวิริยะขวนขวายที่จะเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาประขอให้โลกได้กล่าวว่าลูชาได้ยึดเป็นศาณา พระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้านี้มีสอ ง, สองชนิดคือพระอารันตสัมมาสัมพุทธจเจ้าและพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าพระอารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนลังจากที่พระองค์ทรงตัดสรุปพระอนุตตะสัมมาสันปุทิยานด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงนำเอา พระธรรมคำสอนพระธรรมที่ทรงตัสโนนี้มารเรยแผ่ให้แก่สตว์ดโล้ก็จะมีพระาศาสนาพระพุทธศาสนาปรากฏตามมาเช่นวันเพ็ญเดือนหกก็เป็นวันปรากฏขึ้นมาข้างแรกของพระพุทธเจ้าสงตัดสรุใต้ใต้โคนต้นใต้ต้นโพแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสองเดือน คือวันเพ็ญเดือนแปดที่เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันที่จะที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พระองค์ก็ทรงประกาศว่าทำคำสอนครั้งแรกให้แก่พระปันเจ้าวะกคีรอทรงแสดงก็ปรากฏมีพระธรรมเป็นสารณะที่เพึ่งให้แก่สามโลกและ หลังจากทรงแสดงพระธรรมเสรก็ปรากฏมีพระอาญางคมทัญญามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ตรงได้ไม่เป็นพภาษาคารัตนะนี่คือการปรากฏขึ้นของพระรัตนตรัยดวง้นก็ต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วหลจากนั้นก็สรงเสดงพระธรรมให้แก่ ัพ อ, อพูดฟังได้ยินไดฟังแล้วพิจารณาฟางได้สามารถมองเห็นธรรมที่พระเจ้จาทรงจัดสรุเห็นคือพระอริยสัจสี่ก็จะบรรลุธรรมเบื้องต้นเป็นพะ ร, ระโสดาบันดังที่พระอรันนท์นุงทัญญาได้กลาวาจะไว้ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ต้องถ้อยหมายความาว่าเห็นใจนกเห็นอ น, นิจจันต์คือความไม่เพียงเห็นว่ามีการเกิดแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งสรรพสารทั้งหลายถ้าไปยึดติดพยา <c oughs> ไม่ให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ก็เป็นทุกข์ในอริยสัจสู่รที่เกิดจากความอยาก ไม่ให้สัพสรรพสิทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเสื่อมตายไปแต่ความจริงทุกเสียงทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีตัวตนพอเห็นอย่างนี้ก็หยุดความอยากไนดะ้ยอมรับว่ามีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็ มารู้ทางเห็นอวิยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆดับไปเห็นว่าการดับทุกข์ก็คือการเห็นว่าสิ่งต่างๆนั่นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเช่นร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดิ้นรนเดินไปก็ปรากฏเป็น พระอริยสงสาวกขึ้นมาไปในเวลาสองเดือนก็มีพระรัตนนาตายปรากฏขึ้นพร้อมกันค ร, ครบองค์เดือนวันเพ็ญเดือนหก็ปรากฏพระพุทธรัตนะวันเพ็ญเดือนแปก็ปรากฏพระธรรมรัตนนและพระสังฆรัตนนก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระทายทอาแท้ไม่มีความ ปรารถนาที่อยากจ ะ, ะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สอนโลกเนื่องจากทรงเห็นว่าเป็นธรรมที่ยากหรือธรรมที่ส่วนกระแสะความรู้สึกนึกคิดของสามโลกทั้งหลายสามโลกทั้งหลายนั้นมีความรับความชอบในสัพพสิมต่างๆในโลกนี้ เส้นร่างยศสเสน์รูปเสียงเกล่ดรถโพธภิภพตาสรโลกไม่รู้ว่าเสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องตัดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ยึดไม่ติดไม่แสวงหาเสิ่งเหล่านี้มาเป็นสรารนะ มาเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับตอนซึ่งสตโลกทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความหลงยึดติดกับาลาภยศสารเสรียงกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันทั้งนั้นแล้วจะมาสอนบอกให้ให้รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุข ก็จะเป็นสิ่งที่ยากพอสมควแต่ก็มีเท้ามหาพรรมได้มาขออาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงเมตตาต่อสัตว์โลกให้ได้โปรดสัตว์โลกโดยขอให้พรงทรงพิจารณาว่าสัตว์โลกนั้นก็ มีภาวะภูมิจิตภูมิธรรมที่ต่างกันผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็มีผู้ที่ไม่พร้อมที่จะรับก็มีขอให้ได้สมโปรดผู้ที่พร้อมที่จะรับเถิดพระองค์ก็ทรพิจารณาก็เห็นว่าสัตว์เหล่านี้ก็เป็นเหมือนบัวสีเหลาบัวที่มีความเจรินเต่บโต ไม่เท่ากันนะบรวที่เจริญเติบโตสูงสุดก็พวกรูที่โผล่เหนือน้ําขึ้นมาแล้วเวลาให้ได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ก็จะบานออกมานี่ก็เป็นรูขั้นที่ขั้นที่หนึ่งขั้นสูงสุดขั้นที่สองมองลงมาก็บรูที่เปล่ง น, น้ําบรูที่กําลังรอเวลาเจริญเติบโ ต, ตให้อยู่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ เพนก็อาจจะใช้เวลาอีกส3สามวันเนื้อเป็นวัวชนิดที่สองวัวชนิดที่สามก็เป็นวัวอยู่ใต้น้ำอยู่กลางน้ำคยออยู่ระหว่างโคนกระตอกับผิวน้ำก ำ, กำลังลังจอระเบิดตัว ก, ก็ไม่นานก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้นำได้ ส่วนพวกสุดท้ายก็พวกที่ยังอยู่กับครองกับตรงอยู่พวกนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้โผล่ขึ้นมาเหนือนา้าเนื่องจากจะกลายเป็นอาหารของ <c oughs> ของปูของต่างไปคนมนุษย์เราก็เป็นเหมือนรัวสีเดายพวกที่มีบุญบารมี ในสะสมบุญบารมีมาว่าก็มีเช่นพวกนักบวชทั้งหลายเช่นพระปัญจวัคคีทั้งห้าที่ได้ติดตามเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดอันนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญบารณีมาอย่างโชคชนถึงได้ออกบวชได้ทำทานได้อย่างเต็มที่สระสมบัติข้าวของเงินทอง สละลาภยุสละเสริญสละความศปทางตาหูจมูกรื่นกายไปจมหมแล้วก็มาบำเพ็ญรักษาสีจริญสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆท่านนนี้จงเป็นเหมือนบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วรอแสงสว่างแของของดวงอาทิตย์แสงสว่างนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ พิเรเวเป็นปัญญาเป็นขั้นตัญญาเป็นขั้นโลกุตระธรรมพระเรรจารวกีนีัได้บรรลุขั้นโลกียะธรรมคือขั้นสมาธิขั้นฌานสมาบัติถ้าตายไปก็จะไปเกิดนงสวรรค์ชั้นผงแต่เนื่องจากว่าเป็นโลกียะคือ ย, อยังอยู่ภายใต้กฎกองตายรับอนิจจังทุกขงังอนัตตายอยู่ก็จะเสื่อมลงมา หลังจากที่กำลังของสมาธิอ่อนกำลังลงไปจิตก็จะอยากขึ้นมาตามลำดับขณะที่จิตสงบนี้จิตก็จะละเอียดจะสงบมากแลวค่อยๆเสื่อมไปทีละเลน้อยก็จะอยากขึ้นมาก็จะหิวก็จะเกิดปิเลตปัญหาก็จะหิวกับเรื่งเสียงเก่งนกเรื่องต้นก็จะหิวกับ รูปเสียงกลิ่นรสท่านละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก็เป็นภพของเทวดาพอหลังจากนั้นแล้วพอเสริมขึ้นมาอีกก็จะหิกูปบรูปเสียงกลิ่นรสของมนุษย์ก็จะต้องไปหาร่างกายของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสถานภาพของผู้ที่ได้บำเป็ญบุญบารุงถึงขั้นฌานสมาบัติจะต้อง เสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนกับพระอาจารย์สองลูกของพระพุทธเจา้าที่พระ อ, องค์ทรงตรัสว่าน่าเสียดายเพราะว่าได้เส้นชีวิตไปก่อนที่พระ อ, องค์จะตัดสู้ถ้ายังอยู่ก็จะมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรกผลนิพพานบรรุโลกุตละธรรมได้เพราะมีแสงสว่างแห่งธรรม คือทำซสองเขาพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่างของโยงอาทิตย์วัวที่อยู่เหนือนนะ้ําถ้าปรากฏถ้าไปเจวาระที่ไม่มีดวงอาทิตย์ก็เหนก็จะไม่มีวันบานเช่นเดียวกันถึงแม้จะอยู่โผลมาอย่างนนีะ้ถ้าไม่มีแสงสว่างก็จะไม่ทําให้วัวที่อยู่เนือ น, นะน้ำนะ้านั้นบานออกมาไนดะ้ พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความสำคัญอย่นว่าเป็นแสงสว่างเป็นเหมือนแสงของแสงพระอาทิที่จะทํำให้พืชต่างๆเช่นดอกบัวนี้นอกงามบานออกมาได้ใจของของสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นเหมือนดอกบัวที่จะต้อ ง, องรอแสงสว่างแห่งธรรมมาทำํทำให้เบิก บ, บานขึ้นมาจเจริญเบิกบานขึ้น ให้กาเป็นพระนิพพานขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดชั้นก็จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญบกบาลขึ้นมาเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้นี่ก็คือเรื่องของรูปสี่หลักบุคคลสี่ชนิดชนิดที่สองก้าพวกเทพสาสมบุญบางมีมาเล่ามาจากพวกแรก มีมากพอสมควรแต่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุทางได้ทันทีทันใดก็ต้องอาศัยการได้ยูนได้ฟังหลายๆครั้งหลักบยนก็จะบานขึ้นมาได้พวกที่สาการนี้ก็เป็นพวกที่ยิ่งได้ลงไปคือต้องใช้เวลามากกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่ส ปาที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและบานได้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะบานได้ส่วนพวกที่สี่นี้เป็นพวกที่จะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เนื่องจากไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบังแล้วก็จะไม่เกิดศรัทธา เพเห็นว่าการแสวงหาความสุขทางราหุ่นจมกเรื่องกายทางลาบยศสารเสื่อเป็นทางที่นำไปสู่ความสุข mm hmm. ก็จะไม่เชื่อว่าทางที่ไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั้นต้องสละบลาบยศสรเสื่อมละดความสุขทางตาหุ่นจมกเรื่องกาย ตรงนี้ก็จะไม่มีวันที่จะผล่ขึ้นมาอย่างนี้ได้เกิดแก่เจบตากี่กี่ล้านชาติกี่ล้านครั้งก็จะวนเวียนกับแก่เจ็บชาเจ็บตาอย่างนี้ไปไเรื่อยดังนั้นพระพิทธเจ้าจึงทรงเร่งพระธรรมคำสอนไปสู่พวกบัวที่เหนือน้ำก่อนก็สง่งผลพวกที่เป็นนัก บ, บูวาในรากที่ต่างๆ ทรแสดงธรรมให้แก่นักบวชอย่างนั้นในแต่ละครั้งก็ปรากฏมีผู้บรรลเป็นพระอาหัน์กันเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาเจดเดือนแรกเป็นหลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมครั้งแรกานวันเพ็ญเดือนแมาจนถึงวันเพ็นเดือนสาปีต่อมาก็เป็นเวลา เ, ลาเจเดือน 8, ปรากฏมีพระอาหารตระสาวุกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองรูปที่ได้เดินทางมาจากทิศทางต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความระมักถึงพรก็คุณของพระพุทธเจ้าย่างน้อยก็มีหนึ่ร้อยห้าสรูปและอาจจะมีมากกว่านั้นที่ไม่ได้มาโลกเพราะอาจจะอยู่ไกล เพราะว่าหลังจากที่พระอาถามได้บรรลุกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งตัดให้ไปกันคนละทิศคนลทางเพื่อที่จะได้คผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ไปได้อย่างกว้างขวางไม่ให้ไปพร้อมกันสององค์ให้ยากกันไปเพราะจะทำประโยชน์ได้สอเท่าถ้าอยู่กันสององค์ก็จะทำได้เหมือนกับองค์เดียว นี่ก็คื อ, อ, อพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เรามีพระอริยสงสาวกเป็นจาระเป็นที่พึ่งเป็นที่กลาไหวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วมีผู้ที่สนใจศึกษามีผู้ที่สนใจปฏิบัติด้วยความวิริยะุิสาหะด้วยความ เข้มแข็งด้วยความอดทนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุทำขั้นต่างๆกันเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ว่าจะต้องฟังจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถึงจะสามารถบรรลุได้จึงอยู่การได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั้น ย่อมมีสภาวะแตกต่างกับการฟังธรรมจากภาษาลู ก, ลกเลยเนื่องจากพระปัญญาบรารลีของพระพุทธเจ้านี้ทรงมีมากมายมากกว่าภาษาวกทั้งหลายทรงรู้ว่าคนที่จะแสดงธรรมอย่างไรชนิดใดให้แก่ผู้ฟังก็ทรงรู้จริตของผู้ฟังรู้คุณจิตคุณธรรมของผู้ฟังว่า อยู่ในระดับไหนควรจะให้ทำชนิดใดเป็นถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอก็รู้จักว่าคนไข้นี้เป็นโรคชนิดใดควรจะให้ยาชนิดใดรักษาคุณไม่ได้ให้ยามาทั้งตู้แล้วให้คนไข้ไปเลือกนัประทานยให้ยาเฉพาะเจาะจงกับโรคที่เป็น ก็พูดถึงเรื่องคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระธรรมคาสอนเพราะถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระมหากษัตริย์เราก็ยังจะไม่สามารถที่จะยกตัวเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้ตัวเราเองนั้นหลุดพ้นจากความ ทุกทั้ลายบรรลุพ้นจากการยืนไหวต า, ายเกิดได้ถ้ามีพระธรรมคำสอนแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นธรรมะกระสับหรือเป็นขอทานก็มีโอกาสที่จะบรรลุพ้นจากการยืนไหวต า, า, ายเกิดได้พระพุทธศาสนาจึงไม่เลือกชนชั้นวันนะทุกคนนี้เป็นที่ เป็นที่ยินดีต้านรับของพระพุทธศาสนาทุกคนสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะช่วยได้ก็คือศรัท ธ, ธาของบุคคลเหล่านั้นว่ามีศรัท ธ, ธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรืไม่ถ้ามีแล้วเขาก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากการเวนร่ายตายเกิดได้ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีหรือเป็นขอทานเมื่อมาบวชก็อยู่ในสถานภาพอันเดียวกันก็คือต้องเป็นขอทานด้วยกันทุกคนการเป็นเศรษฐีการเป็นพระมหากษัตริย์กับจะเป็นอุปสรรคมากกว่ากับการเป็นขอทานแต่การเป็นขอทานอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นสถาเป็นเหตุที่จะรับรองว่าจะบวดได้ คนที่เป็นขอทานที่บวชไม่ได้ก็มีมากมายคนที่เป็นเศรษฐีแล้วบวชได้ก็มีมากมายเป็นกษัตริย์ที่บวชก็มีเหมือนกันแต่ถ้าถ้ามีศรัทธาแล้วเป็นอะไรก็บวชได้ทั้งนั้นถ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อว่าจะสามารถทำให้ตอนนั้นมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เท่านี้ก็พอแล้วพอที่จะทำให้น้องเอาพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปให้ชำระใจให้สะอาบดบริสุทธิ์ ให้ชำระความโรธความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้เราสละความสุขทางลาบยตสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดแล้วให้เราออกมาอยู่ตามสถานที่สงบสมัครว์อยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็มลเพลินเพียง จเจริญสติจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนารักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่คือสัทธาที่เราต้องมีมีแล้วเราก็ต้องดำเนินตามศรัทธาเราก็ต้องสละสมบัติ สละลาบยกสละเสริญสละความสุขทามตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปิดวิเวกออกมาอยู่ตามสถานที่สง บ, บสงนัดนั่งอยู่ในศีลในธรรมนันสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อที่จะควบคุมความคิดไม่ให้พุ่งสร้างให้ว่างให้จิง ให้เย็นให้จิตมีความเย็นความสบายไม่ให้จิตนอยไปลอยมาให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอแล้วก็ให้นั่ลับตาเพื่อที่จะให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่จิตเป็นอุเบกขาสัตว์แต่ว่า นี่เรียกว่าสมาธิสมาธิก็มีสองลักษณะสำมาสมาธิกับวิชฉาสมาธิสำมาสมาธิก็คือจิตนิ่งสงบไม่มีความคลื่อนแต่เป็นเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีนิมิตไม่มีอะไรปรากฏให้รับรู้ถ้ามีนิมิตมีอะไรปรากฏให้รับรู้นี่ ไม่ไม่ใช่เป็นสมาสมาธิไม่ควรที่จะปล่อยให้จิตไปทางนั้นพวรจะดึงจิตกลับมาสู่การภาวนาต่อจน ก, กว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาเพราะถ้ามีการรับรู้ลิมิตต่างๆก็จะทําให้เกิดกิเลส ต, ตัณหาเกิดความอยากความต้องการติดตามตามนิมิตตา่ตางๆ และเวลานั่งสมาธิแต่ละครั้งก็จะอยากที่จะเห็นนิมิตแบงนี้พ เ, เพราะมีความเพลิดเพลินมีความสุขเหมือนกับได้ดูภาพประโยน์ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรสุขแต่เฉพาะเวลาที่ได้ได้สัมผัสได้รับรู้เวลาใดถ้านั่งแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสรับรู้ ก็จะมีความหมดหยีบใจลผ่านใจนี่ไม่ใช่เป็นทางที่ไปสู่การดับทุกข์เพราะการไปสู่การดับทุกข์นี้จะต้องหยุดความอยากต่างๆจึงต้องไปเข้าไปในสมาธิที่ไม่มีแต่ความว่างเพราะจะทำให้ความอยากนั้นสงบโดยลงไป แล้วเวลาออกจากความสงบที่ไม่มีนิมิตจิตก็จะมีพลังอุเบกขาคือไม่โลกไม่โกรธไม่หลงเพียงแต่จะมีอยู่ได้ไม่นานเป็นเหมือนกับน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็จะเย็ น, นทิ้งไปสักระยะหนึ่ง ความเย็นก็จะค่อยๆหายไปคามเป็นอุบเบกขาของจิตที่ได้จากสมาธิก็เช่นเดียวกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆก็จะมีความเย็นมีความเป็นอุบเบกขามากแล้วต่อมาเมื่อได้มาสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายทางความคิด ต, ตัวต่ความที่เป็นอุบเบกขานั้นก็จะค่อยๆจางหายไป เอาเบรคขาจางหายไปความโลภความโกรธความหลง ค, ความอยากต่างๆก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมาตามลำดับดัง น, นั้นถ้าเราํานาญในสมาธิแล้วเราเข้าออกสมาธิได้ง่ายได้แล้วเวลาออกจากสมาธิเราก็ควรที่จะมาเจริญปัญญากันอย่าคิดไปในทางของกิเลส หนึ่ความคิดปุงแต่งให้มาคิดไปในทางของธรรมะคือให้คิดไปในทางอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสรับรู้กับเรื่องอะไรก็ให้พิจารณาว่าเป็นตายรักทั้งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แา่ไปยึดไปติดไปอยากไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับ ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเห็นเป็นตายรักอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะปล่อยวางอย่างต่อเนื่องเห็นอะไรก็จะปล่อยวางเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินจะไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอกจากมีความจำเป็นอยู่ในกรอบของเหตุผลก็ต้องทำก็ทำไป แต่ไม่ได้ทำด้วยความหวนแบบเอาเป็นเอาตายทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ดีเช่นเสียงที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าต้องแก้ไข ก, ก็พยายามแก้ไขไปแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรายังเรายังอยู่ในสภาพที่ยังต้องมีการดูแลจัดการกับเสิยงต่างๆเทงแต่ว่าเราต้อง ให้อยู่ในกรอบของความเป็นจริงของความเป็นไปได้ไม่ใช่อยู่ในกรอบของความเครียดทำอะไรแล้วก็เครียดกับสิ่งที่เราทำนั่นแสดงว่าเรามีความอยากเกินความเป็นจริงพอความอยากของเราไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ดังใจก็เกิดความเครียดขึ้นมาอย่างนี้เป็นเป็นความทุกข์ จาทำอะไรจะอยากอะไรก็ได้แต่อย่าไปเอาเป็นเอาตายกันคิดว่าเป็นของเล่นกันของทุกอย่างในโอกนี้เป็นเหมือนของเล่นมันไม่ใช่ของจริงของจำอะไรตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้นก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็กยินดีไปั ตามที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ก็จะไม่เป็นความทุกข์อย่างนี้ก็จะไม่เป็นสมุทยัยสมุทายนี้หมายถึงว่าอยากจนกระทั่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลกวังวลกระสรับกสายวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นมัวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมุทยัยต้องใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จะพิจารณกกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้แล้วจะพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็ได้เช่นการพัดพาจากสิ่งต่างๆไปไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพัดพาจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไปไปทีละคนสองคนไปทีละอย่างสองอย่างและจนในที่สุดก็ต้องมาพัดพาจากร่างกาย ที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราไปเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนือๆให้มันไม่ลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนของที่ยืมของมาต้องคืนเข้าไปวันหนึ่งเจ้าของเขาจะมาขอคืนไปถ้าเราไม่ลืมเราจะได้ไม่หลงยึดติดไม่อยากให้อยู่กับเราไปตลอด พอถึงเวลาที่เจ้าของเขาจะมาทวงคืนก็ ค, น ค, นคืนให้เขาไปได้อย่างสบายใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาววรแต่อย่างใดนี่คือการเจริญปัญญาถ้าพิจารณาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วกำลังของอุเบกขาเริ่มหมดหรือหมดไปนีนี้ก็จะมีกิเลสตัณหาออกมาก่อกวนมาสร้างอารมณ์ ว้าวุ่นขุนโวให้เกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาตอนนั้นก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปสู่ความสงบใหม่กลับนั่งสมาธิกลับไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบเหมือนกับตอนแรกตอนก่อนที่จะออกมาพิจารณาปัญญาก็ให้กลับเข้าไปทาในนั้นใหม่ให้ไปพักจิตให้ไปผลิต อุเบกขาให้ขึ้นมาถ้าเป็นน้ําก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นน้ําหายเย็นแล้วก็เอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นให้เยนเ็นเต็มที่แล้วค่อยเอาออกมาพักจิตให้เต็มที่แล้วพอจิตพักได้อิ่งเต็มที่แล้วก็จะถอนออกมาเป็นอุเบกขาเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาทําต่อไปพิจารณาความจริงต่อไป ความจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายขันห้านี้ก็เป็นสภาวะธรรมรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรงแต่วิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงเิ่งรถผภทภที่มาสัมผัสกับตาหรือจมกูกร่องกาย เหล่านี้ก็เกิดดับเกิดดับเวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสลับกันไปสัญญาก็จำแล้วก็แล้วก็หายไปเห็นเห็นภาพแล้วก็จําว่าเป็นเป็นใครจำเสร็จแล้วก็หายไปเหลือได้ยินเสียงก็จําว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็หายไป สังขารก็เปลี่ยนแปลงคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็ดับไปหายไปแล้วก็คิดเรื่องใหม่ต่อวิญญาณก็รับสร้างรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายรับแล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือนามนขันทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารหน ญ, ญ่าณมีการเกิดดับเกิดดับ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความความความเจ็บก็อยากจะให้หายเจ็บก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของของเวทนาเช่นเวลานั่งแล้วเจ็บร่างกายเจ็บ เขเรียกว่าทุกขเวทนาความเจ็บของง่างการเรียกว่าทุกขเวทนาถ้าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกขในอริยสัจสีทุกที่เกิดจากความอยากอยากให้เวทนาหายไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปความทุกขในใจนี้รุนแรงกว่าความทุกขของเวทนาหลายร้อยเท่าเลยทีเด ที่ทนกันไม่ได้ไม่ใช่ที่ความเจ็บของร่างกายที่ทุกเวทนาทุกขในอริยสัจสิ่ที่ทนไม่ได้ทุกที่เกิดจากสมุทยัยความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปถ้าสามารถควบคุมใจไม่ให้ถล่กความอยากได้ให้ใจรับรู้เฉยๆเปน็นอุเบกขาใจก็จะไม่มีทุกข์ทุกทา ง, ททางใจ ทุกในอริยสัจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีทุกในอริยสัจปรากฏขึ้นมาก็สบายใจนั่งได้อย่างสบายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปวิธีที่จะทำให้ใจเป็นอุเบกขาในระหว่างที่เกิดทุกขเวทนาก็มีสองวิธีคือวิธีแรกก็ให้ใช้วิธีของสมาธิ คือเราใช้คำบริกรรมเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราต้องควบคุมสังขารไม่ให้ผลิตสมุทัยออกมาคือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปหรืออยากจะลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถอยากจะหนีจากทุกขเวทนาไปเราต้องควบคุมสังขารความคิดคแบบนี้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป สวดมนต์ไปก็ได้ท่องอาการ32ไปก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราจะถนัดกับวิธีใดก็ใช้ได้แม้หรือจะนับ 1, 2, 3สไปก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำไม่ให้สังขารต้องไปปรุงแต่งไปในทางสมุทยัยคือความอยากให้ความเจ็บหายไ ป, ไปอย่างเช่นเวลานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเวลาสแสดงธรรมนี้ ก็มีความเจ็บแต่ใจมันไม่ได้อยู่กับความเจ็บของร่างกายคนแสดงก็อยู่กับการแสดงคนฟังก็อยู่กับการฟังก็าสามารถที่จะนั่งอยู่ไปได้โดยไม่รู้สึกเจ็บมากจนเกินไปรู้ว่าเจ็บบ้างที่ร่างกายแต่ก็พอทนได้เพราะใจไม่มีเวลาที่จะมาผลิตสมุทยัยคือความอยากให้เวทนาหายไปนี่ แต่ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้แสดงธรรมนั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ต้องขยับนะเพราะจางมันจ ะ, จะผลิตสมุทัยออกมาอยู่เรื่อยๆไม่อยากจะสัมผัสกับความเจ็บอันนี้ก็ต้องใช้การบริกรรมเพื่อให้ใจได้มีอะไรทาหรือบางท่านก็นั่งฟังธรรมเปิดธรรมะฟังไปก็จะนั่งได้นานต่ไม่รู้สึกเจ็บ มันเจ็บเหมือนการแต่เพียงแต่ใจไม่ไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายใจมัวแต่รับรู้กับเสียงธรรมที่มวสรรพสัพพิจารณาตา่างใจก็เลยสงบเป็นเบิกขาก็เลยไม่รู้สึกเจ็บกับความเจ็บของร่างกายถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ต้องใช้การบริกรรมหรือใช้การสวดมนต์สวดมนต์ไปก็ไดคาถาไหนก็ได้ปารอุบาย คาถาใดก็มีมีผลเหมือนกันคือทําให้ใจเป็นอุเบกขาเหมือนกันเมื่อมีงานให้สังขารทําสังขารก็จะไม่สามารถผลิตสมุทัยถลี ค, ถลความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปก็จะสามารถนั่งอยู่ได้และก็อาจจะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ผ่านความเจ็บของร่างกายไปได้เพื่ออำนาจของ การบริกรรมพุโทโธหรือของการสวดมนต์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะผ่า น, านาาวาความเจ็บของร่างกายเวลาเกิดความเจ็บของร่างกายไม่ว่าจะเจ็บในขณะที่นั่งสมาธิหรือเจ็บในขณะที่เจ็บ่ข้ได้ป่วยถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักการบริกรรมพุโทโธรู้จากการสวดมนต์ เราก็สามารถใช้วิธีนี้มาช่วยผ่อนคลายความเจ็บความดึความเจ็บของร่างกายเราไม่ได้ไปผ่อนคลายแต่เราค้เราผ่อนคลายความเจ็บทางใจให้ไม่ให้มีเหลืออยู่เลยก็ได้ความเจ็บว่ามีร้อยปร์เซ็นตก้าสิบปรเซ็น์จะอยู่ที่ใจสิบปอรเซ็นต์อยู่ที่ร่างกายถ้าเราภาวนาเป็นรอยกรรมพุทโธได้ส่วนมนได้ ความเจ็บ 90% ก็จะหายไปหรือวความเจ็บเพียงส0ซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพราะเรากําจัดความเจ็บส่วนใหญ่ได้ด้วยอุบายของสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมีกําลังที่จะรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้พอที่จะให้เรามีเวลาพิจารณาดูความเจ็บของร่างกายว่าเป็นตายรักได้ รู้ว่าเป็นสภาวะรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ว่าอย่างไปเหมือนกับเสียงหรือลมพัดที่เราที่เราได้รับรู้หรือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกมืนกายเช่นฝนตกแดดออกนี้เราก็รับรู้แต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ลมจะพัดเราหยุดเขาไม่ได้ ผลจะตกเราหยุดเขาไม่ได้ฉันใดเราก็เอาเวทนานี้มาเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนลงเป็นเหมือนผนตกเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อเขาจะปรากฏขึ้นมาก็รับรู้ไปเท่านั้นเองพอเรารับรู้โดยที่เราไม่ผลิตสมุทยัยคือความอยากให้เขาหยุดให้เขาหายไปใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของของร่างกาย ของของขอเวทนาต่อไปเราก็ใช้ปัญญาได้พิจารณาว่าอ๋อเขาเป็นตายรักเขาก็เกิดเกิดดับดับม า, าแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจได้เราห้ามความทุกข์ภายในใจได้ด้วยการใช้ปัญญาด้วยการหยุดความอยากถ้าเราเห็นว่าเป็นตายรักเราไปห้ามเขาไม่ได้ เราก็จะไม่ไปอยากให้เขาหายไปพอเราไม่เกิดความอยากความทุกข์ใจที่แรงกว่าความทุกข์ของร่างกายก็จะหายไปทำให้เราสามารถรับรู้กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานนี่คืออุบายของปัญญาต้องมีสมาธิก่อนถึงจะถึงจะพิจารณาได้ เพราะถ้าไม่มีสมาธินี้พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานี้นก็เป็นเหมือนการตาแตกไม่มีสติสตา ง, งหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าสมุทัยจะออกมาทํางานทันทีเลยอยากจะให้หายอยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนไอเดียบทอย่างเดียวจะคิดอย่างนี้อย่างเดียวจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิจารณาดูว่าทุกขเวทนาว่ามันก็ไม่รุนแรงอะไรมันเป็นเพียงสิเท่านั้นเอง แล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติของเขาที่จะต้องปรากฏขึ้นมาให้เรารับอยู่เหมือนกับฝนตกแดดออกที่เราไม่ไม่สามารถไปห้ามเขาได้แต่เราก็อยู่กับเขาได้เราอยู่กับฝนตกแดดออกได้ฉัน้นใดเราก็อยู่กับทุกเวทนาได้ชันนั้นเพราะเขาก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันฝนตกแดดออกเป็นสภาวะธรรมภายนอก ทุกเวทนาทางร่างกายนี้ก็เป็นสภาวะธรรมภายในภายในร่างกายแต่ก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเป็นตายักเหมือนกันถ้าไปอยากก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าอยากให้ฝนตกก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าอยากให้เวทนาหงก็จะทุกข์เหมือนกันถ้าปล่อยวางทุกเวทนาจะปรากฏก็ปล่อยเขาปรากฏไปฝนจะตกก็ปล่อยเขาตกไป ใจก็จะไม่ทุกข์กับทุกขวเวทนาจะไม่ทุกข์กับฝนตกนี่คือบายของการใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเปรียบเทียบดูของบางอย่างทําไมเราทนได้ทําไมของบางอย่างเราทนไม่ได้ก็เพราะว่าเราติดนิ pumpkins, สัยเดิมมาเราเคยชอบอะไรเราก็ทนได้กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบนี่เราจะทนไม่ได้ เราก็ต้องปรับใจของเราอย่าไปไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นให้ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นแล้วจะไม่ผิดหวังยะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจแต่อย่าไปชอบในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะถ้าไปชอบในสิ่งที่แล้วผ่านไปแล้วก็จะทำให้อลัยอววรเวสียไดย้อยากจะได้กลับคืนมา ให้ชอบในสิ่งที่ปรากฏขึ้นและอยากไปชอบในสิ่งที่ผ่านไปแล้วน้วใจของเราจะเป็นอุปเบกขาอยู่ตลอดเวลาจะอยู่อย่างสงบสุขจะไม่ทุกข์กับสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุพระไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมียญญาณไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมที่ละเอียด ที่ปรากฏอยู่ภายใจิตในใ จ, ในใจก็จะไม่เป็นปัญหากับใจใจก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่เป็นเหมือนอน้ำมนใบบูวสัมผัสรับรู้กันแต่ไม่ซึมซ่ามไม่ยุ่งเกี่ยวกันเวทนาจะปรากฏก็ปลอให้ปรากฏไปใจจะไม่ไปจับการกับเขาจะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาจะปรากฏขึ้นมาเ็รู้ทันว่าเขาเป็นตายรับเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปทําไปไม่ต้องไปทาอะไรให้สักว์แต่ว่ารู้เท่านั้นถ้าสามารถควบคุมใจสอนใจให้สักวแต่ว่ารู้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาที่จะ ทำให้เราได้ดุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรว่าสมาธิก็จะต้องแก้ไปเรื่อยทุกครั้งที่เกิดก็จะต้องบริกรรมพุโทโธจะต้องสวดมนต์ไปถึงจะดับความทุกข์ได้แต่ครั้งหน้าปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ต้องแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่ต้องแก้ต่อไปต่ อ, อไปเพียงแต่สักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ว่าอ๋อปรากฏ เขาเวทนาขึ้นมาแล้วปรากฏก็ปรากฏเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกตามใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีความเจ็บของร่างกายอยู่เสมอจ น, นกว่าร่างกายนี้มันจะหมดสภาพหลังจากนั้นแล้วก็สบายภาราเวเว่ยเนจากขันทาขันท่านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งเป็นกองทุกนี้เอง อุปทานในขันห้าก็คือความทุกข์ถ้าไม่มีอุปทานปล่อยวางสักแต่ว่ารู้ขันห้าก็จะไม่เป็นกองทุกข์ต่อไปแต่ยังต้องสัมผัสรับรู้กัแบบการเจริญการเสื่อมของขันห้าอยู่แต่จะเป็นการสัมผัสรับรู้แบบน้ำบนใบลัวไม่ใช่สัมผัสรับรู้แบบน้ำบนกระดาษซับรกระดาษซับนี่ เวลาสัมผัสกับน้ำนี่มันจะดูดน้ำไปหมดเลยฉันใดใจของผู้ที่ยังไม่มี ส, สติสมาธิปัญญาเวลาสัมผัสรับรู้กับสภาวะธรรมก็จะดูดไปหมดเลยเป็นของเราเป็นตัวเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทันทีเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วกับจิตผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นก็คือเป็นใบบัวหรือเป็นกนดาษับ ผู้ที่หลดพ้นแล้วก็เป็นใบบัวถึงแม้จะมีน้ําสัมผัสน้ํามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีการซึมซับเข้าไปในใบบัวแต่กระดาษซับนี่พอไม่ว่าน้ํามากน้อยเท่าไหร่ก็จะดูดเข้าไปหมดเลยทุกมากน้อยเพียงไรก็จะแบกเป็นที่เลยนี่คือใจของผู้ที่ยังไม่ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องมาชำระใจกันที่ต้องมาภาวนากันต้องมาทนทุกข์ยากลำบากับการอยู่ในสถานที่อับตะคัตที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยให้ความสุขกับเราแต่เป็นการมารักษาใจจาเป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลแต่สมัยนี้โรงพยาบาลมักจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเสียแล้วจะเป็นเหมือนโรงแรงเสียแล้ว เพราะมีทุกอย่างดีกว่าอยู่ที่บ้านอีกมีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีอะไรพร้อมเลยแต่เขาก็รักษาให้รักษากายให้แต่ใจเขากลับมาเอาอาญาพิษมาให้แทนที่ใจจะสบายใจกลับทุกข์มากขึ้นเพราะดูอะไรก็ไม่สนุกไม่มันเหมือนกับตอนที่หายก็อยากจะให้หายเร็ว ก็ยิ่งอยากจะให้หายเร็วๆก็ยิ่งจะเกิดความทุกข์มากขึ้นไปใหญ่หรือถ้าไม่หายก็ยิ่งเครียดอย่างเพราะอยากจะกลับมาดูหนังอยากจะดูละครเรื่องนัง้นเรื่องนี้ต่อ응ก็จะยิ่งทุกข์ไปกันใหญ่สู้อย่างนี้เลยดีกว่าไปอยู่โรงพยาบาลก็อยากไปมีของอำนวยความสุด ท, ทางใจเลยไปเพื่อรักษาร่างกายสิ่งที่ยายรักษ า, กษาให้ความสุขกับใจก็คือการภาวนาหรือการทเท็ความธรรม เทศของกูบาจามไปเปิดฟังเพื่อจะได้เตือนสติให้เราคอยภาวนาให้เราคอยพิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาอย่างนี้ก็จะรักษาใจควบคู่กักบการไปรักษากายไม่ใช่กายหายแต่ใจกับกั บ, ก, บกับแยกลงว่าเกิดกิเลสตัณหามากขึ้นพอหายทีนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวมากขึ้นอยากจะกินอยากจะไปดื่มมากขึ้น นี่คือเรื่องของการที่เราต้องศึกษาธรรมะต้องอ่านหนังสือธรรมะต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะจะได้รู้จักวิธีที่จะดําเนินชีวิตของเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง <Sorry. S 1> ถ้าไม่มีธรรมะ <Yeah. S 1> เป็นเครื่องนําทาง <Yeah. S 1> เราก็จะต้องหลงทางจะไม่มีทางไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระ สาวข้างหลังไปถึงกันได้เลยดังนั้นเราต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางต้องศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่อย่างต่อเนื่องการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นวงคลอย่างยิ่งนังที่ได้ทงแสดงไว้ในการรมสุขอให้พวกเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็ขอให้ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตาม ให้มีวิริยะความภาคภืมนที่จะปฏิบัติอย่างสุดกำลังเพื่อผลประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลประโยชน์ของพวกเราต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่ครานี้แดงไม่มานะได้ดูวัดอ๋ออยู่วัดแล้วห แสดงว่าเขาเริ่ม อ, ออกปฏิบัติแล้ววก <c oughs> นี้ยังอยู่ในห้องเรียนอยู่ยัปริยัาิกนอยู่ปริยัตยแล้วก็ต้องปฏิบัติถึงจะได้พบกับปฏิเวสปฏิเวสก็คือสอบผ่านต้องเข้าห้องสอบถึงจะสอบถึงจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่าน <ๆ S 2> ถ้าเรียนอย่างเดียวไม่ไปสอบก็ยังไม่ได้ประกาศใบประกาศ นี่นก็ต้องไปเข้าห้องสอบเข้าห้องสอบก็จะรู้ว่าผ่านหรือผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเรียนใหม่เรียนเพิ่มขึ้นแสดงว่าทําการบ้านน้อยไปฟังน้อยไปหรือเรียนแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เข้าไปในใจเพราะเวลาฟังก็ฟังแบบสติลอยใจลอยไม่มีสติในการฟังฟังแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้ฟังก็จะไม่ได้รสชาติ จะไม่ได้รู้เหตุรู้ผลของท่านก็จะเป็นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงถ้าโน่นี้ท่านก็นก่าสงสารท่านก็ฟังต้องยี่สบกว่าปีท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่จะออกไปปฏิบัติเพราะท่านติดภาระที่จะต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เป็นความเสียสละที่ยใหญ่แต่ท่านฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่อท่านจํา พระธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงได้ทุกทุกการเวลาที่พระสงฆ์สังฆทานาพระตายฤาษพระธรรมคำสอนก็มีพระอานุนี่แหละเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่แสดงทําที่พระเจ้าได้ทร ง, งแสดงไว้เพราะพระพระอนนี้มีเงื่อนไขในการที่จะรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่10ข้อสิข้อด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือเวลาพระเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระอนุลไม่ได้ตามไปด้วยไม่ได้ฟังเวลารต้อองทรงกลับมาก็ต้องมาแสดงให้พระอนุ์ฟังเป็นค่าจ้างที่พระอนุลรับรองจากพระพุทธเจ้า็นค่าจ้างที่มีคนค่านิ่งกว่าเงินทองแต่พวกเราเป็นเงินพวกไก่ได้พลอยกัน ทำงานก็จะของเอานเอาเงินเดือนเอาเงินทองก่อนถ้าก็ว่าเอาหนังสือธรรมะไปแทนเอาไหมทำงานนั้น <laughs> เดือนเดียวจ้หนังสือธรรมะสิบเลม่มได้เอาแต่พอท่านว่างจากภา ร, รกิจที่จะต้องอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้เวลาเพียงสามเดือนสเดือนท่านก็สามารถบรรลุ เป็นผ้าอาหานะัาไนได้เห็นงมนีมันมันมันมีตัวอย่างให้เราชัดๆว่าถ้าเราฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมจนเข้าใจนะถ้าเรานำแบบปฏิบัติจริงๆอย่างจังเนี่ยไม่นานเนหะ็นมจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเสือบ้าโดนก็สามเดือนพระโพธิรัทก็ไม่กี่วันไปอยู่กับไปให้สามราเนเป็นอาจารย์ ก่อนะนั้นก่อนที่จะไปปฏิบัติก็เจอพระพทุทธเจ้าเธอเจอทิไลก็บอกเธอเป็นใบลานตาเธอเป็นใบลานตาบวชไปก็บวชไปต่อเปไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการบวชเรียนไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเดียนเพราะไม่นําำอาไปปฏิบัติพอพเจอพระพุทธเจ้าทิไลก็บอกว่าอย่างนี้ทุกทีก็เลยกระตือรือร้นนะก็เลยออกไปหาสำนัก ปฏิบัติหาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติก็ไปได้สำนักที่มีแต่พระอรหันทั้งนั้นแต่พระอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ไม่ยอมสอนท่านอ้างว่าท่านเป็นพระเถระพระเถอะพระโพธิละเป็นพระเถระมีพรรษามากกวา่าไม่อยากจะสอนพระผู้ใหญ่ก็เลยต้องไปขอสัมมาณี เ, เป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิบาย ทดสอบจิตใจของพระโพธิรัตก็ได้ว่าลดมานาทิฏฐิของตนหรือเปล่าว่าถือว่า ม, มีภรษาสูงแนเรียนามากก็เลยต้องให้สมมเนยเป็นอาจารย์ตอนต้นสมมเนยก็ทําท่าจะไม่สอนพระเถระท่านกระแรงพูดกระยันขระยองให้สมมเนรล็อไปสอนตอนต้นสมมเนยก็ไม่สอนยังไม่รู้ว่าจะเชื่อฝั่งหีือปะ ก็ต้องเอามาใช้ก่อนใช้ให้ทำอะไรต่างๆจนมั่นใจว่าเชื่อฟังแล้วให้ทำอะไรก็ทำตามให้ลุยลงไปในน้ำให้ประหยิบของในน้ำพอลงไปเบียกขึ้นตัวก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจก็จะดูว่าโกรธมีความโกรธหรือไม่ก็ไม่มีอาการไหนเท่นั้นท่านทำด้วยความเคารพจริงๆเชื่อฟังจริงๆ เรมเี้ก็เลยได้สอนให้ฟังสอนวิธีกาจัดกิเลสปัญหาด้วยการปิดทวาลทั้งห้าคือตาหงษจมูกหุ่นกายแล้วให้มีสติเฝ้าดูอยู่ที่ความคิดก็คือเจริญสติควบคุมความคิดให้เป็นสมาธิให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็คอยตัดเวลาที่กิเลสโผล่ตัดด้วยใจนะ ด้วยปัญญาพอเกิดตัญห า, าก็ตับด้วยใจนักตบด้วยปัญญาไม่นานก็บรรลุได้มันไม่ยากถ้าไปเรียนกับคนที่รู้จริงเห็นจริงแล้วตั้งใจปฏิบัติจริงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจต้องไม่เอาอะไรเลยในโลกนี้ทิ้งหมดเลยทุ่มไปที่ธรรมะอย่างเดียว ถ้ายังห่วงนั่นห่วงนี่ยังเสียดายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่าไปเสียเวลาไปแล้วก็ปไปไม่รอดไปแล้วก็ใจก็ยังติดอยู่กับสิ่งที่เคยเคยมีเคยเป็นอย่ไปแล้วก็ต้องตัดหมดเลยอดีตต่างๆไปตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดตัวไปไปรับของใหม่อย่าเอาของเก่าไปด้วย เปน้ําที่อยู่ในถ้วยร่องเททีท่ทออกไปให้หมดเลยน้ําชากาแฟเททิท้งไปให้หมดเพื่อจะได้ลองรับน้ําแห่งธรรมถ้ามีน้ําชากาแฟยอยู่ในถ้วยเทน้ําแห่งธรรมเข้าไปก็เทเข้าไปไม่ได้ถ้าใจยังยึดติดอยู่กับความสุขแบบเดิมๆอยู่ยังยึดติดกับลาบยึสนุกเสริญกับกกรูปเสียงกลิ่นรสปวดตะพอยู่<ๆ>ก็จะไม่มีทางที่จะรับธรรมะ เข้าไปสู่ใจได้เวลาบวชเขาถึงให้นักให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ลดมานะทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอบวชเป็นเป็นพระบวชไหนนี้ก็ให้อยู่ปลายแถวจะมีอายุแปดสิบเก้าสิบก็ไปอยู่ปลายแถวจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นมาเศธีก็ไปอยู่ปลายแถวให ให้ตัดความเป็นความเป็นอะไรต่างๆที่กลายเป็นไปให้หมดเลดังนั้ น, mm hmm. ม, นมันจึงขัดกแบบับหลักธรรมเวลาคนนิ่งคนอยากคนโตวเวลาจะบวชแต่และท้งนี้ต้องเอาบริวารไปด้วยเอาไปรับใช้ถ้าบวชนี้ก็อย่าไปบวชให้มันเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรการบวชก็เพ mm ื่อละมณณทิฏฐิความมิตความถือตรงถือว่าตองเป็นเคยเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่โตมาต้องมีผู้รับใช้มาบวชต้องมีผู้คอยถือบาตรให้ล้างบาตรให้เช็ดถูสติให้เหมือนกับอาจารย์่มันไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เห็นคิดเหมือน ท, อนทางนลยหรือความบวชปักก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยนี่ก็เหมือนกันยังไม่ได้ทาัาสาเลยไปตั้งสำนักเป็นอาจารย์ อย่างนี้ไม่ได้บวเพื่อรักกิลเลยบวชเพื่อเสริมกิเลสมี <c oughs> ใครอยากจะถามอะไรไหมมีใครอยากจะพูดอะไรไหมจะมาวันวันพฤหัสหน้าเนี่ยคะ่ะตอนบ่ายท่านจะลงเทพหรือเปล่า เดี๋ยวนี้ก็ลงทุกวันบ่าย 2.00 แต่วันนั้นเพื่อนต้องลงปฏิโมกข์เขาเป็นวันสาระขาพอถ้าวันเสาห์นั่นไม่สะดวกจะไม่ได้ขึ้นมาพอแค่เข้าวันศุกร์อาสาระาอาสาระอาหารสะเสร็จหาข้างกค่เนคือลงปฏิโมกข์เสร็จก็ประมาณบ่ายโกว่าขึ้นมาก็สอาจจะขึ้นมาก็ได้แต่คงจะต้องขึ้นมาเพราะคนจะมีคนมาเยอะเองดี เพราะนั้นเรา จ, จะต้องลงปฏิโมกขไม่ไหวเพราะว่ากว่าจะเสร็จฉันีก็เกือบ <Okay. S 1> เกิดถึงเวลาเที่ยงแล้วที่นี่ก็ลงปฏิโมกข์ตอนเที่ยงก็จะไม่มีเวลาพักเลยถ้าไม่ได้เห็นไหนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ยจะจะเจ็บมากถ้าเป็นวันวันวันสำคัญอย่านี้มกากจามขอลาป่วยเวลาลงปฏิโมกข์เอานี่ปวดจริงๆอ่ะแล้วมันทนไม่ไหวถ้าลององไปนั่งต่อแล้วเดี๋ยวพอ ออกมาจากปาิมโลกก็ต้องมานั่งนอนนี้นต่อถึงสีนห้าเดี๋ยวเย็นก็ต้องไปทำพิธีเรียนเทียงไปเทศตานวันนี้วันทั้งวันเตั้งแต่เช้ามานั่นก็เลยจถ้าถ้าเด็กเลี้ยงไดกก็อย่ามาจะมีกว่าวันที่เป็นวันเทศกาลมาวันห่เช้าก็เสช้าเช้าเช้าก็ล้วนสาลั เขาเข้าเขาออกจากไอซแล้วไปอยู่ที่ไปผ่าหลังเนี่ยผ่าหลังค่ะหลังข้อข้อมันต้องใส่ข้อเทีมอีกสองันหมอสมัยนี้เขาเก่งครัแต่อย่าไปหวังอะไรกับร่างกายมากเลย เมืไรก็ต้องเสือมใบตากันละเพราะว่าจะเป็นของใครมาทำาจกันดีกว่าทำใจว่าปล่อยวางร่างกายให้ได้จะดีกว่าเพราะ ว, ว่าวันนึ้งก็ต้องไปเจอยกสุดท้ายจะต้องโดนนักอยู่ดีเมื่อโดนน็อก <c oughs> น็อกนี้ก็ต้องไปเจอยกหน้ายกใดยกหนึ่ง ใ, ใจถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ประยุ่งกับร่างกายปล่วาร่างกายหน้าก็ไม่เป็นตนัญหายกไหนก็ได้ยกนี้ก็ได้ยกหน้าก็ได้ <c oughs> ใจไม่ได้เป็นยังไงเมื่อไม่มีความอยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องมีร่างกายกปแล้ว <c oughs> สิ่งที่อยากได้ในโลกนี้ก็เป็นไต่รับทั้งนี้เป็นอนิจจังทุกขังนักแต่เอาไปทำไม เอไปแล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเม่ช้าก็นเลยก็ต้องพักท้าจากกาันดีๆได้ก็เป็นมาเดี๋ยวก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้ดลยได้เงินมาว้านล้านพันล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้เลต้องไปทำไงเอาไปให้มันทุกข์ไปกว่าเอาความสนักไปดีกว่าเอาความสบายใจไปดีกว่าเอาความเอาความปล่อยวางไปดีกว่า อันนี้แหละเป็นเป็นเป็นคุณเป็นคุณอย่างยิ่งสําหรับจิตใจคือการปล่อยวางความสงบความไม่ยึดไม่จับสิ่ต่างๆทั้งหลายอย่างนีความไม่อยากจะได้อะไรต่างนี้อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่เวสเสียสำหรับใจไม่ใช่มีนั่นมีนี้แล้วจะดีอันนั้นดีสําหรับกิตเอง ได้นะอะไรบานก็เลสจะดีออกดีใจแล้วก็มาถวิลความทุกข์ให้กับใจเพราะอยากจะให้อยู่กลับใจเป็นงานที่อยากจะให้มีมากเพิ่มขึ้นไปอีกไม่อยากจะให้ลดน้อยลงไปอันนี้ก็จะกดนั้นจิตใจทําให้เครียดกับความทุกข์ใจต่างต่างไปแต่ถ้าไม่อยากจะได้เราต้อนะสบา ไม่ได้ะไรใครให้อะไรมาก็ถือว่าดีทั้งนั้นถ้าไม่อยากก็ได้เลยใครให้อะไรมาก็ดีทั้งนั้นแต่อย่ามีข้อแน้ทั้งนั้นให้แล้วจะต้องออกไปทําอย่างนั้นทำนี้ก็ไม่เอาถ้าให้มาเจ๋งๆแล้วจะเอาไปทําแล้วก็ไปทํานี้ก็เอามันก่อนจะถวยผ้าใตให้วังมังคับจะให้ใส่วังไม่เอาหรอกเออวังจะบางท่าให้ใส่แล้วไม่เอา ก็ถวายเอาอื่นก็ข อ, องมันยังดีอยู่ของใหมย่ยังต้องไปซักก่นถึงจะใส่ได้ถ้ามันก็แข็งด้วยผ้า ม, ามันสงสัยจะเข้ารูปได้เนี่ยมันแข็ ง, งมันลย็ม้วนนี่มันยากถ้ามไม่เข้ารูกว่าจะเข้ารูกันสามสีเดือนเข้าไปใส่ของเก่าเนี่ยใส่เยถ้มันขาดเลยเปืนนี่ก็สามปีแล้วเนี่ย ยิ่งผ้าขนมนังหน่นี้มันผ้าพวกตัวอะเย่ยนมากสีก็ไม่สีก็ไม่ไม่จางง่ายด้วยอะไรใช้แบบนี้สบายและทุกอย่างใช้ห่มเวลานอนหนาวก็ใช้เป็นผ้าห่มได้ เวลานอนเนี่ยถ้านอนกับพื้นละพื้นเย็นก็เป็นผ้าปูเลยขูดจริงๆใช้ได้ทุกอย่างเวลาเวลาออกมาเดินโยกกลมันหนาก็คลุมห่มจริงๆพระพระพุทเจ้าเปงนบอกใช้ผ้าสามผืนก็พอความจริงทั้งสมัยแรกๆนี้ใช้เปลียงสองผืนได้ มีผ้ากีวอนผาห่มืนหนนะผ้านุ่งผืนหนึ่งแล้วต่อมาก็มีพวกที่มาบวชทีหลังนี้พวกที่จิตยังอ่อนไม่มีพลังสมาธิไม่ได้เพระกับความหนาวก็ทนไม่ได้พระเจ้าส่งเมตตาเมตญาตให้มีภาาสังฆาติคือเป็นภาากีวอนสองชั้นไว้สำมผมกันหนาที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นภ้าผ้าอยู่บนไหลเนี่ยเป็นภาาสังฆาติอันนี้ถ้าอยู่ทางภาคอีสานก็ยังมีประโยชน์ในหน้านา เวลาตอนเจ้าบินระบาดก็ผมซ้อมผ้าเป็นทั้งผ้าสังกะสีและผ้าจีวอนเวลเวลาหน้าหนก็ใช้ผ้าสังกะสีนีเป็นเป็นผ้าผมได้ท่านมีผ้าผมเป็นผ้าผูกอะไรบ้าคะผ้าผมนั้นก็ถือว่าเป็นผ้าบริวารบริขามหรือวถ้ามีคนถวายก็เอามาใช้ได้แต่แต่ไม่ให้ยึดติดว่าเป็นผ้าคลอง ผ้าเหมือนว่าภาเสริมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเวลาไปไหนก็ไม่ต้องเอาตัดตัวไปเอาแค่ผ้าผ้าตายไปก็พอพระพระปฏิภาปฏิบัติท่านท่านอยู่ง่ายท่านไปไหนท่านจะมีเครื่องนอนเครื่องกินครบบริบูรณ์มีบาดได้นี่ก็เป็นเครื่องกินมีกรดมีกรดมีนุ่งก็เป็นที่เป็นบ้านของพระได้นะ อ, อยู่ที่ไหนก็กลางกดกลาง่อยู่ตรงั้นก็อยู่ครับเอาผมก็เอาสายผ้าไตนี่ก็พอไฟดบบนุน่ไปแบบตัวเบาๆไปแบบสบายไม่ใช่ไปบบดับพลุพลังทุ่งไปเมื่อกี่ก้างก็หล <c oughs> งเอาสมัยก่อนข่านเดินทุ่งจาก การอีสานไปไปเชียงใหม่ไปตามทางหลวงปู่มั่นเนยอยากอุดมจากอุดมครูบาอาจารย์ท่านติดตามทางลวงปู่มั่นนั้นก็เดินเที่เดินไปกันพักไปตามตามทางเดินข้ามที่ไหนก็พักที่นั้นแล้วบินรบาเยก็เดินต่อขณะที่เดินก็ถือว่าเป็นการเดินชมกมภาวนาไปไม่คุยกันไม่ได้แบบ พวกคาราวเดินกันเดินคู่กันนี้นะถ้าจะเดินเป็นแถวเหมือนทหารเดินเดินตา ม, มไปตามคนต่างก็จะเดินสติไปควบคุมความคิคดไปถ้าเข้าฝีเข็มของการปฏิบัติแล้วมันมีความสถมว่ามันจะเหนื่อยจะยากแต่มันเพลิดเพลิน ใจมันไม่ได้ทุกข์ไม่ยากไปกับความเหนื่อยยากของร่างกายใจมันอยู่กับธรรมแล้มันมีความนสงนบมีความสุขเนี่ยดีกว่าเป็นคารวะแล้วมีความเจ็บทางร่างกายแต่ใจนี่เครียดกับเรื่องราวต่างๆกินไม่ได้นอนไม่ไหลับวิตวกกังวลวุ่ น, นวายไปหมดมนี่คือความแตกต่างกันคารวะจะทุกข์ทางใจจะสลายทางกายพระจะ ทุกทางกายแต่จะสบายทางใจความทุกทางกายมีบังคับให้เราต้องสร้างภูมิป้องกันทางใจคือต้องสร้างความสงบสร้างความปล่อยวางให้กับใจสร้างการหยุดความอยากให้กับใจถึงจะมีความสุขได้แต่ความสุขทางร่างกายจะเป็นตัวที่จะทาให้เกิดความอยากทางจังเพิ่มมากขึ้น เพิ Calvin, ่มความอุปทานความยึดติดเพิ่มมากขึ้นยึดติดกับความสุขของร่างกายอยจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ปวดเวลาเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาก็โกลาหลกันไปหมดยุ่นวายกันไปหมดก็ไปยึดไปติดกับสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเอส่วนท่านบัวนี้ไม่ยึดติดกับร่างกายก็รู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่ก่อนที่มันจะแก่จะเจ็บจะตายต้องออกมาใช้แค่นี้ ให้ได้ไประโยชน์อย่างเตน็นที่ก็ต้องใช้ด้วยการเราปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ<อ>่งเรากำลังเดินทางไปทางไหนต้องพิจารณาดูนะกาเทศความทำกันมาอยู่อย่าไปฟังแล้วก็ลืมไปฟังแล้วต้องเอาไปคิดว่าถ้าเราคิดแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิด เกิดวิริยะขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมที่สำคัญคือศรัทธาและวิริยะถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะก็จะไม่สามารถออกปฏิบัติได้ศรัทธาว่านี่คือทางที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราถึงแม้ว่ามันจะทุกข์จะยากลำบางทางร่างกายแต่ มันเป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความสบายทางจิตใจด่วนต้นก็จะทุกยากลำบาต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะสบายจะอยู่อย่างสบายเคยตามต้นคิดว่าทุกยากลำบากกินข้าวมือเดียวนี้คิดว่ายากลำบากอยู่แบบตามมีตามเกิดไม่คิดว่ายากลำบากแต่พออยู่ไปเรื่อยๆแนละ้วมันกเกิดความชินขึ้นมามันก็จะ ไม่รู้สึกยากลกอะไรยกลับชอบซิเพราะว่ามันแสนจะสบายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากอยู่แบบสุดทางการนี้มันต้องวุ่นวายกับเรื่องหลายอย่างเรื่องบ้านเรื่องเครื่องตกแต่งบ้านเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องสีเรื่องมานเรื่องอเรื่องไฟค้งไฟตาเรื่องร่าปลาปาร้อยแต่ แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียต้องชาระแล้วต้องมาคอยซ่อมมาคอยแก้กันอยู่นะเรากำลังไปผิดทางถ้าไปแบบเราไปผิดทางถ้าเราไปหาความสุขความสะดวกทางร่างกายนี่เราไปผิดทางเราต้องแปหาความสุขความสะดวกทางด้านจิตใจได้การอยู่แบบสมถะเรียก่ายทางร่างกายแล้วก็ พยายามสร้างธรรมะขึ้นมาทุกเวล า, านาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับคือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมจิตใ จ, จเหมือนกับเป็นนักโทษเลยอย่าปล่อยให้ลอยไปที่อื่นให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับใจให้อยู่กับร่างกายร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่กรุงเทพอย่างนี้ก็แสดงว่าใจลอยไปใจไม่มีสติอย่าง ร่างกายอยู่ไหนใจก็ต้องอยู่ตรง น, นั้นถ้าไม่อยู่กับร่างกายก็ต้องอยู่กับพุทโธบริการพุทโธไปแช้พุทโธเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจทางก็ได้ใช้ทําบทได้บทหนึ่งก็ได้ใช้อาานาพานสติก็ได้ใช้อาการสาวิตสองก็ได้ต้องมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใ จ, จพราะโดยธรรมชาติจิตใจชอบลอยไปตามอารง ชอบไปอดีตชอบไปอนาคตชอบไปหาคนนั้นคนนี้ชอบไปที่นั่นที่นี่ไม่ชอบอยู่ในปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดอาการอยากจะไปตรงนู้น ท, ทันทีพอไปถึงตรงนั้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้ีนี่คือธรรมชาติของกิต เ, เป็นอย่างนี้แังนันงที่เราก็ต้องบังคับมันให้อยู่กับที่ทีละสี่ห้าชั่วโมงหรือนั่งันตรงไหนก็ได้ ถ้ายัางนั่งแบาบงให้มันเจ็บสู้กับทุกเวทนาแบบของร่างกายไม่ได้ก็นั่งแบบสบายๆไปก่อนนั่งเก้าอี้ไปถ้าเจ็บเวลาเจ็บก็ขยับก็ได้เพียงแต่อย่าลุกอ ย, อย่าไปที่อื่นถ้าจะลุกก็ลุกยืนตรงนั้นพอหายเมื่อยก็กลับมาไปนั่งเลยเอาแบบนี้ก่อน ไ, ได้ําจัดจํา ก, กัดในระบริเวณอย่าให้เกิเลสัญหามันสั่งให้เราไปตรงโน้นมาตรงนี้ เรานั่งไปสี่ห้าชั่วโมงไปเลยทีห้าหกชั่วโมงไปอันนี้ก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสไปได้ในระดับหนึ่งถ้าจะสู้อย่างสบายก็ถ้ามีมีมีการจําแรงสติก็จะสบายเพราะจะไม่คุ้มสร้างจะไม่เครียดจะควบคุมความอยากได้เช่นพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะควบคุมความอยากไม่ให้เกิดขึ้นได้พอไม่เกิดความความอยากมันก็จะสบายนั่งอยู่ตรงนั้นได้ ส่วนมงินไปก็ได้แต่อย่าไปฟังเทศฟังธรรมเนื้ออ่านหนังสือเพราะนี่เป็นของนอกกายนอกใจเราต้องการเอาของในใจเราเป็นเครื่องมือจริงๆไม่เพึ่งสิ่งภายนอกสาระที่แท้จริงต้องอยู่ในใจเราถ้าจะเอาธรรมะก็ต้องเอาธรรมะที่ใที่เราฟังมาแล้วจดจําเอามาคิดจังเลเอามาใช้แต่อย่าไปเอาของภายนอกถ้าปฏิบัติแล้วไม่เอาเลยเรื่องเรื่องหนังสือเรื่อง เทปอะไรพนี้นอกจากเวลาที่เรามีแบ่งเวลาไว้สำหรับมาฝั่งนี้ทั่งเพื่อเสริมความรู้เสริมทักษะนี้ทําได้แต่นี่นครับที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเวลาเข้าสนามสอบจริงๆนี้ไม่เอาหนังสิอเข้าไปเวลาเข้าสอบเข า, าเราหนัสือเข้าไปหรอือเปล่าไม่ได้ไม่ได้หรอกเราจะต้องทดสอบสมรรถภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นที่พึ่อนของเราได้หรือเปล่า เป็นอัตตาเี้ยอัตโนมัติของ่างหรืปล่ายัต้องพยายามกำลำความอยากต่างๆอย่างที่บอกเราขังตัวเองอยู่ในห้องหรจับตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้ทีละห้าหกชั่วโมงเลยะไรอย่าไปลุกเอาน้ําวางไว้ทับขวดหนึ่งหิวน้ําก็เดิมน้ำเดินน้าำปากอย่าไปเดินน้าที่มี กลิ่นมีสีมีรสอันนั้นก็เป็นความอยากอีกแบบดื่มเพื่อร่างกายเหมือนเหมือนดื่มยาดื่มยาน้ํากินอาหารกล้ามมื้เดียววันนั้นจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะมาห่วงเรื่องกินข้าวไม่ต้องไปทํำข้าวหาข้าวกินก็กินหอมเดียวกินให้เสร็จไปเลยตอนเช้าแล้วก็นั่งมันจนทั้งถึงเย็นเลย ถ้ามันมืดแล้วใครลุกถ้ายังไม่เปิดไฟก็นั้นยังไม่ต้องเปิดไฟก็ยังไม่ยังไ ม, งไ ม, งไม่ไม่รู้จักที่นั้นไปขังตัวเองอยู่แล้วทำได้ถ้าทําได้ก็โอ้โสบายโล่งโล่งใจเวลาใจมันเวลาความอยากมันมันหยุดดิ่มนียมันเหมือนกับุเหมือนกับถอนไอ้ถอนอะไรถอนเสี้ยนถอนห น, นามออกจากจากจากเท้าเราเนี่ยมันมันเบาสบาย ใจมันสงบถึงแมจะไม่สงบแบบลว้วนแต่มัสงบจากความดิ้นลนของเกลียดตัญหาถึงจะรู้ว่าโอที่มันทุกข์นี่กระพอยตัวนี้ไอตัวความอยากมันดิ้นอยู่ด้วยดเวลาดิ้นก็นเหมือนกันเรามีเสี้ยนอยู่ที่เท้าว่าเราเราเร า, เราเดินไปที่ไรทุกครั้งที่เราหยิบนมันก็เจ็บๆขึ้นมาทันทีลองทําดูดิไม่ยากหรอก นั่งเฉยๆมันจะยากตรงไหนทา ง, งานอะไรก็จะยากกว่าทํา ง, งานไปเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเราต้องไปรับประุมจากคนเสิร์ฟทาได้นะให้นั่งเฉย้ยคนเดียวนีการนั่งไม่ได้นั่งได้แล้วต่อไปสบาย วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเนียมันมันจะทำอะไรก็นั่งอย่างเงี้ยแหละออไม่ต้องไม่ต้องมาคิดให้เหนื่อยยากว้าจะไปชวนชวนใครไปไหนดออีไปคนเดียวก็ไปไม่ได้ต้องหาเพื่อนไปอุ่นวายทำไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉยๆสบายออจายอาจารย์หลวงมีท่าท้าไปเข้มนะฮะ อะไรเข้มมากนั่งเฉยๆคนเดียวนี่เข้มมเลยอาจารย์บอกว่าทันเอ้ยถันคนเดียอาจารย์หัวทานทานทานเท้ามือเดียวหมอแล้วก็นั่งเดี๋ยวนีนั่งถึงค่ำเลยเขมนะคะก็เราดูสิอะไรนหมือนไม่ได้ทรมารมันไม่ได้เจ็บร่างกายตรงไหนไม่ได้โดนเขาเอาเข็มมาบอามแล้วทิ่มแทงร่างกายนั่งอย่างสบายถ้าเมื่อยก็ให้ยืนได้คืนสาเมื่อยก็ลงมานั่งต่อ เราจะเห็นการดิ้นของกิเลสล้วจะเห็นเวลามันสงบสงบตัวลงนี้มันสบา ย, ยามีสุขอย่างไรถึงจะรู้ว่าเอนที้เราเป็นธาตุของกิเลสเนี่ทุกครั้งที่มันดิ้นเนี่ยมันทําให้เราท่อนทองทองมานใจ mm hmm. เช่นคนติดยาเสพติดเนี่ยจะลองอยากขึ้นมาให้หอยมันทรม า, านใจมาก mm hmm. คนอยากบุหรีอยากสุราก็แบบเดียวกันอยากไปเที่ยวอยากไปช็อปปิ้งก็แบบเดียวกัน ผรไม่ได้ตาย้วของมันหืึดอยู่หดพิถีพิันอย่างนั้นสู้ของมันดูได้เอามันให้ตายเลยมันตายคน <c oughs> ตายข้ั้งหนึ่งเขาตอไปมันจะไม่ค่อยกล้านะ ที่จะฟังเทศเหมือนการนั่นเองแล้วมันไม่สงบมันไม่้าอะไรก็ได้บางเวลาก็นั่งสังเทศไปเช่นเวลาทําสมาธิที่คู่นี้มันเป็นอีกว่าละ่น่อยคือเข้าห้องสอนมันอตอนนี้ตอนที่นั่งฟังเทศนี่ก็ไปเหมือนการทําการบ้านไปการสร้างพลังจิตขึ้นมาก่อนสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนพอเรามีสมาธิแล้วเราเรามานั่งต่อสู้กับตัญหาอยู่ ตอนนั้นตอนฟังเทศน์นี่เรียกว่าเป็นการทําการบ้านอยู่เป็นการอยู่ในห้องเรียนเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบพอเราเรียนได้ความรู้มาได้สมาธิมาแล้วทีนี้เราก็ลองเข้าห้องสอบดูสอบสู้กับความอยากดูความอยากที่จะไปตรงนั้นมาตรงนี้เรือว่าวันนี้ไม่ต้องไปไหนสักที่ให้อยู่เฉยๆทักักจุดเดียวนี้ดูดูซิว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่า อัญหาของเรานี้ไม่ค่อยแลงไม่ค่อยมาหรืออย่างน้อยเราก็คุมหน ไ, ได้ถ้านั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางสู้มันไม่ได้เพียงแต่คิดก็กลัวเหมือนกันพ <também S 1> <SM ART> ี่ ที่อาจารย์บอกว่านั่งเฉยๆนี่หมายถึงว่าความคิดมันก็จะคิดนู่นคิดนี่เราปล่อมันคิดหรือว่าเรปล่อยมันคิดมันก็ยังฟุ้งซ่านใหญ่เราก็ต้องไม่คิดใช่ไหมครถ้าไม่คิดมันก็จะมันก็จะสบายเหมือนเปิดแอร์ไงถ้าถ้ามันร้อนเราก็เปิดแอร์เราก็หยุดเราก็พุทโธพุทโธไปก็เหมือนกับเปิดแอร์มันก็จะช่วยสกัดความคิดที่อยากจะลุกไปไหนมันได้แต่ถึงแม้ว่าถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องใช้ความอดทนอย่างเดียว บางทีมันเผ seems, ลอบางทีมันลืมไปว่าอ๋อเราพูดโทนได้ทําไมเราไม่พูดโทนเราโมแต่มานั่ง ส, ulative, ส, ส, ส wordt, ู้กับ <Noble gar kw oto> มันชั่วชั่วแต่มันเฉยๆนี่สู้กับมันยากแต่ถ้าเราพูดโทนได้บางทีมันก็ไม่ได้พูดโทนไปถ <c oughs> ึงหชั่วโมงบางทีมันก็หยุดบางทีมันก็เผลอพอพูดโทนก็ใช้ระยะหนึ่งพอรู้สึกสบายปั๊บมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวพอเราเถลอปั๊บมันก็กลับขึ้นมาคิดใหม่ อยากจะรู้ขึ้นไปก็ให้เราได้ไ ด, ได้ได้ใช้เครื่องมือที่เราได้ซ้อมไว้ก่อนแล้วไงเช่นสติสมาธิและปัญญาเพราะตอนที่นั่งตนั่งการ่ันก็เรากำลังเข้าห้องสอก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบ้วเราก็ควรจะมีสติสมาธิและปัญญามากมีเครื่องมือมากถ้าไม่มีก็คงจะไม่คิดอยากจะเข้าห้องสอกัน เด็กมันเริ่มง่วงแล้วจะทำก็ยืนสิไม่เนหลับนอนก็ยืนนะมถ้ามันยืนยันมันหลับก็มันหลับขันหัยืนหนึ่งยัมันนั่งอยากไปนั่งมนเด็อะไรพอจะให้นั่งเยอะเดีก็ง่วงขึ้นมาวันนั้นก็อยากปกินข้าวเลยอาหารด้วยจะได้ไม่ง่วงจะได้มี ได้แต่พอข้าวเสก็จน้องนัตไปที่เดิมนัดไปที่อื่นวันนี้เรากระโถนใกล้ใกล้ ครูบาอาจารย์เราวลานั่งตลอดรุ่งนี้หมาความว่าท่านนั่งตลอดเลยเหรอคะท่านนั่งขันสมาธิเลยท่นนานไม่เปลี่ยนเลยเท่านต้องการที่จะพบกับเวทนาขั้นสูงสุดเลยเพราะท่านผ่านขั้นนั้นไปแล้วที่นี้เวลาตายนี้จะไม่เดือดร้อนเพรา<ล>ะจะเจ็บขนาดไหนก็ใจก็จะเป็นดูเบิดขาได้ปล่อยวันได้ไม่สะทกสะทานกับความเจ็บอันนี้เป็นขั้นแบบขั้นที่เรามีธรรมะแก่กล้าแล้ว สติสมาธิปัญญาความที่จะเข้าห้องสอบสุดท้ายแล้วเนี่ยห้องสอบสุดท้ายก็คือการต่อสู้กับทุกขเวทนาอาจารย์คะนนั่งตองบรูปนี่หมย่ยถึงว่าต้องได้ชั้นสีแล้วใช่ไหมคะคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอต้องต้อ ง, ต, องต้องทํางานในการเข้าออสมาธิแล้วในสมาธิแต่เวลานั่นนงนี่บางทีมันก็ เข้าบางทีก็ไม่เข้าสมาธิเพราะไม่ต้องการที่จะใช้สมาธิเป็นเป็นเครื่องหลบต้องการใช้ปัญญาคือเวลาเจ็บจะไม่เข้าเข้าไปในสมาธิจะใช้ปัญญาวิเคราะห์จารณาอย่างที่สอนให้เห็นว่าเป็นเหมือนฝนตกแบบอ่อนเป็นสั่งไปห้ามขอไม่ได้ก็อยู่กับเขาไปให้ได้ใจอย่าผลิตความอยาก ให้พอหายไปหรืออย่าผลิตความอยากลุกจากที่นั่ง น, นี้ไปทท้งนั้นเองมันก็จะอยู่กับเขาได้นีเรียกว่าปล่ อ, อยวางตามฝ่ายตามอยู่ใจก็รับรู้ร่างกายก็นั่งเฉยๆเวทนาจะแสดงตนอย่างไรก็ปล่อยเก็แสดงไปใจเหมือนคนดูละครร่างกายเป็นเหมือนเวทีละครเวทนาเป็นเหมือนตัวละคร ตัวทุว่งเวทนาก็คือตัวยักษ์ออกมาเพ่นผ้านคนดูก็ต้องดูให้ได้อย่าหลับตาอย่าหนีอยอย่าลุกไปเข้าห้องน้ําเหมือนเวลาดูหนังผีอย่างนี้พอผีออกมาเรกลวัวหลับตาไม่ใช่ <c oughs> อย่าไปต้องนั่งดูเฉยๆยเหมือนกับก็รู้ว่ามันเป็นเพียงหนังนั่นมันจะมาทำอะไรเราได้เวทนาก็เป็นเหมือนหนังใจเป็นเหมือนคนดู ร่างกายเป็นเหมือนเวทีเป็นจอท่านั้นเองให้รู้อย่างนี้นจอก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆเวทีมันก็ต้องอยู่เฉยๆส่วนตัวแสดงคือเวทานามันจะแสดงบททุกบทสุขบทไม่ทุกบทไม่สุข ก, ก็ปล่อยมันแสดงไปใจผู้ผู้ดูผู้รู้ก็ดูไปสัต์แต่ว่านี้ไปทำนั้นเองปัญหาคือกิเลสนไม่ยอมไม่สัตแต่ว่ารู้ พี่เดชม <houses> ันบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาไปดีกว่าลุกดีกว่าเหยนเป็นพยายามดีกว่าจะคิดแล้วพระอาคะอุเบกขาที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่นะคะดีเเทนะคะอันนั้นไม่ใช่จากฌานสี่นั้นมันจะทําไม่ได้งานใช่ไหมเจ้าคะคือเราก็ไม่รู้ว่าโบราณพันธมันไม่ได้บอกว่าเป็นฌานสี่ฌานสามฌานสอง ก็รู้ว่ามันสงบเป็นอุเบกขาแล้วกันเดี๋ยวไปดูว่ามันอยู่เพียสี่เพียสามเพียสองคือให้มันสงบนิ่งเป็นอุเบกขาก็ใช้ได้ที่มันจะลึกมากลึกน้อยนีมันก็แล้วแต่กําลังของสติที่เราจะเริยนีถ้าถ้าสติกําลังมากมันก็จะลงไปลึกแต่ผูจ้าบอกให้ลงในระดับที่เป็นศักด์แต่ว่ารู้อุเบกขาก็พอเป็นเอกตาลงก็พอ ไม่ต้องไปถึงขั้นขั้นขั้นชา้นรูปปัจจานเลยขั้นโอเบกาสักแต่ว่ารูปนี้ก็เป็นขั้นรูปปะชะเป็นชา้นสี่ขั้นรูปปัจจานสี่ก็พอสําหรับที่จะเอามาใช้กับการพิจารณารางปัญญาได้เราไม่รู้กับเวลาว่าเข้าไปสู่การสงบนี่มันเป็นชา้นหนึ่งชา้นสองหรือชั้นส นอกจากเรามานั่งวิเคราะห์ดูทีหลังเราถึงจะรู้ออกถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นฌานหนึ่งฌานสองพราะท่นานกษัตรย์กุลมาสมบัติของฌานแต่ละขั้นไว้ขั้นลรกมีวิตกมีวิจารที่มีตึ ก, ม, ต ก, ม, ตกมีตรองที่เรานั่งแล้วดูลงไปนี่ก็มีการตึกตรองรู้ว่าลงเข้ารู้ว่าลงออกนี่ก็เป็นการตึกเป็นการตรอง แ, แต่มันไม่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องลงอย่างเดียวก้นนี้ก็เป็นฌานหนึ่งเขาไหแล พอมันเบาลงไปปั๊บมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเความสบายขึ้นมามันก็เรื่องอ่อนนี่มันเข้าไปอีกขั้นที่สองนะมันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเหมือนเวลานั่งเวลาสงบนี่บางทีมันสงบแบบพูดภาพจากเกียร์หนึ่งเข้าไปเกียร์สีเลยบางทีมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองจากเกียร์สอเข้าเกียร์สาค่อยๆเเกียร์สี่ไปค่อยๆสงบไปทีละระดับทีละระดับเหมือนเครื่องบินที่เขาบิน วัเพดานลงมามลงไปเรื่อยๆที่คนนี้เราไปบังคับมันไม่ได้มันอยู่ที่สติของเราอยู่ที่ภาวะจิตของเรา ว, าว่าวันนั้นมันเป็นอย่างไรมันพุ่งซ้านมันวุ่นวายมากน้อยลดไม่ลงหรือ ม, มนันสงบมันไม่วุ่นวายมากเวลาลงมันจะลงไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่สติว่าสติของเรามีกำลังมากกำลังน้อย แลเรื่องผลอย่าไปกังวลมันให้ดูที่ตัวเหตุคือตัวสติ <c oughs> ให้สติเราอยู่กับพุทโธ อ, อ, อย่างเดียวไม่อยู่กับลมหายใจอย่างเดียไปให้ได้ <c oughs> แล้วมันจะพาไปเองแล้วเวลาสงบก็ไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้มันสงบ <c oughs> จนกว่ามันจะทอออกมาเอง <c oughs> ตอนนั้นเวลาสงบไม่ใช่เวลาพิจารณาปัญญาตอนนั <c oughs> ้นเป็นกําลังแช่น้ําให้มันเย็น ทำจิตให้เป็นอ เ, เบกขาให้นานที่สุดยิ่งนานเท่าไหาร่อุเบกขาเวลาออกมามันก็จะอยู่ได้นานจะพิจารณาทําปัญญาได้านานหรือจะเข้าห้องสอบก็เข้าห้องสอบได้เช่นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วไม่ลุกขึ้นนั่งต่อแล้วก็ปล่อยให้มันเก็บแล้วก็ใช้พิจารณาปล่อยวางมันให้ได้เหมก็ได้ดัง น, นั้นถึงจะเรียกว่าใช้ปัญญาเพื่อปล่อยวางเวทนา แต่ถ้าเข้าไปในสมาธินี้ไม่ได้ปล่อยวางเพียงแต่แยกออกจากเวทนาชั่อข่าวไม่รับรู้เวทนาชั่วขา่วาวาอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีดแบบับไม่ใช่เป็นวิธีฆ่ากิเลสคือความอยากให้เวทนาหายไปฆ่ากิเลสคือความอยากให้เวทนาหายไปจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นมาพอเกิดมีเวทนาก็จะเกิดความอยากให้เวทนาหายไปตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดให้หยุดความอยาก ให้ปล่อยวางเวทนาอย่าไปอยากให้เขาหายไปเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเราเพียงแต่รับรู้เขาเท่านั้นเองเหมือนคนดูละครผีออกมาแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหนีอย่าไปอยากให้ผีหูบเข้าไปในละครนั่งดูผีเล่นละครให้เราดูไปญาติน้องคนนึ่งก็สงสัยว่าถนาดเ็าสวดมวนต์แล้วนะฮะเขาไปเรีคิด คลิปเรื่องอื่นไปด้วยได้เขบอกไงเขาทำไมเก่งทำสองอย <c ười> <อ>่างพ o n c u r r ในใ น, ในเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะควบ<ไ>มโหสัวเองเพราะเขาไม่มีสติควบคุมให้อยู่กับเรื่องใดเรือ่องหนึ่งนั่นเองใจเยังยาวถ้าเชื่อถ้าถ้าสติเป็นเหมือนเชื่อก็เป็นเหมือนเชื่อกกล้วยพอผูกดิน <c ười> ไว้กับเสาดิงมันก็ตกปั๊บมันก็ขาดมันก็ออกไปเพ่นพ่านต่อเราพุทโธไปมันก็ มันก็กระตุกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อสลับกันไปสลับกันมาแสดงว่าสติเรายังอ่อนมากต้องไปอยู่ในที่มันน่ากลัวมันถึงจะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเวลากลัวผีนี่แค่สวนมนตะแ่วดมนอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นพระถึงต้องไปนักปฏิบัติเพื่อพปฏิบัตินี่มักจะไปหาที่น่ากลัวอยู่เพื่อที่จะได้เจริญสติได้อย่างเต็มที่ ก่อเราเวลากลัวอะไรสุดขีดแล้วมันจะต้องหาอะไรเป็นเครื่อ ง, ย, งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งถ้าเป็นชาวพุทธเราก็จะยืดเหนี่ยงตับพระพุทธพระธรธรมพระสงฆ์ทำไมเด็กๆเรวก็เคยเป็นเคยไปอยู่ที่เปี่ยวอยู่แล้วเวลาจะนอนก็ดีเสียงกึ๊กกกึ๊กกักอีกก็พอดีนึกได้ว่าส่วนมันดีกว่าต้องเอางพระสมอาลางก็สามมาไปเอาส่วนไปแล้วจิตไม่ไปสนใจเสียงนั่นก็หายไปไม่รู้เป็นอยู่กระทานหรือเปล่า มันมัมนเสียงมันกระชุ่มกระในใจแล้วไปคิดว่ามันอยู่ข้างนอกในป่าก็เลยแต่พอสวดมนต์ไปแล้วมันก็หายไปนอนได้แต่แตอนนั้นก็ก่อนนอ น, นมาสวดมนต์ทัคือเต็น <c oughs> ใจเป็นคุณข้าเหมืนาการสวดมนต์สวดมนต์นนแล้วก็นอนหลับสบา ย, ยคนเราถ้ามันไม่อยู่ในที่จมจอกมันจะไม่หาที่พึ่งกัน นการภาวนาในที่ที่สบายนี้มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ที่ในที่สบายที่ที่ปลอดภัยนี้มันจะไม่ได้ผลเท่าเพราะไม่เอาจริงเอาจริงมันไม่หาที่เพ่งอย่ากจริงจริงจังๆแต่พอไปอยู่ในที่อันตรายที่น่ากลัวจริงๆเนี่โอ้โหมันจะต้องหาที่เพ่งเวลาเดินนี่จะมีสติอยู่ทุกก้าวเลยฐานคือแม่ดู เดินในป่านี่ทุกย่านเก้าเนี่มีจะมองซ้ายมองขวามองตลอดเลยหรอมองข้างหน้ามองที่เท้าว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าเราเปล่ามันจะไม่ไปไหนเลยอย่างที่นี้เราไปวัดเนี่ยนะคะก็ซูนเนี้ยแล้วมันมีเสียงกึกๆึ๊กกกกำหางไงดีก็อย่างที่ก็ลองสวนมันไปเลยอย่างที่เล่าให้ฝังนี้หรือพูดโท้พูดโทรไปก็ได้ แม่ก็ขอลากลับเลยกลั บ, บ้านดีกว่าโกยหาลวงพ่อโกยก็มีมีภาพที่เขาอยากจะไปทดสอบว่าเขากลัวเสือไม่กลัวเสือก็ไปกลับบ้านัหยุดไปเจเสือมันดนะุนะออตามาต้องไปพิสูจพอไปอยู่ปั๊บพอได้ยินเสียงเสือร้องอยู่อยู่กายจก็เริ่มสั่นละ พอเสียงเํา kind of mm ่มใกล้เข้ามานี่ทนอยู่ก็ได้โกยนะทั้งหมดหลวงพานจันก็โกยทั้งหลายองค์ไม่ใช่ก็มีคนบางคนมาอยู่แล้วก็อยู่ได้คืนเดียวบ้างบางที่อยู่ไม่ได้ทั้งคืนก็อยู่ได้เพียงทุ่มสองทุ่มก็ขออภัยก็ภูมใจไม่ได้แต่สุเมทําไมก็อยู่ได้ คุณแม่ก็เคยปวดนะก่อนก็อยู่วันนี้คืนแรกๆอยู่เพระท่านอาจารย์กลัวท่านอาจารย์ดุก่อนกลัวกลัวกลัวเสด็จก่าวพอหายกัวอะไมันสบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ความกลัวอยู่ในใจเราใจเราผลิตขึ้นมาเองภายนอกไม่มีสิ่งอะไร ไม่ความกลัวไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในสิ่งข้างนอกอาจจะน่ากลัวแต่มันน่ากลัวเพราะเราไปไม่เข้าใจความจริงถ้าเร า, าเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัว<ม>นี่คือวิสสงของการปฏิบัติทำแล้วจะทํำให้ใจเราไม่กลัวกับสิ่งต่างๆ ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความตายไม่กลัวคำํำดุด่าว่ากล่าวติเตียนของใครทั้งนั้นใครจะดา่าใครจะว่าก็ปล่อยเขาว่าไปเพราะไม่มีความอยากให้เขาชมอยากไม่ให้เขาดา่าใจเป็นการอยู่ตลอดเวลาเป็นมีเบกขาเฉยปล่อยวางได้ทั้งนั้นเหมือนฝนตกแดดออก พระที่ขึ้นพาะที่ตกนี่นทุกอย่างก็เป็นสภาวะธรรมนั้นเองเราไปห้ามเขาไม่ได้ให้เห็นเข้าใจสัพเพ昙านาตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา <c oughs> เราเป็นผู้รู้ <c oughs> ก็รู้ไปทางนั้นเองเป็นผู้ดูละครก็ดูไป <c oughs> เราไปกำกับภาพยนตร์ที่เราดูไม่ได้ไปเปลีนบทภาพยนตร์ที่เราดูไม่ได้ เขามีผู้กำกับมาคือกก่าคือภ า, ภาวะเหตุปัจจัยต่างๆทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเราเป็นผู้มาสัมผัสรับรู้ ก, กัรู้ไปเหมือนคนไปดูภาพยนตร์ผู้กำกับก็จะกำกับภาพยนตร์ให้ออกมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องดูไปจะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องดูไปถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดูอย่ามาเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> แต่พวกเราชอบดูกันนักเกินชอบดูหนังดูละคร <c oughs> <c oughs> อะไรต้องกลับมาเกิดกัน <c oughs> <c oughs> พอดูแล้วไปดูเรื่องที่ไม่ชอบก็วุ่นวายใจขึ้นมาทุกใจขึ้นมา